ก็ศิลจารีนีตั้งใจฟังนะหลวงพ่อเพิ่งมีโอกาสได้มาเจอพวกเราก็วันนี้แหละซึ่งก็เป็นคือสุดท้า ย, ยาที่พวกเราจะได้มาบวชปฏิบัติที่นี่ในฐานะสา ม, มเณรแล้วก็ในฐานะศิลจารีณียี่วันแล้วใช่ไหมที่พวกเราได้มาปฏิบัติกันที่นี่ถือว่าโชคดีนะเพราะาตอนขลงพ่อบวชเนี่ยอายุสิบขวบใกล้ๆ ก, กับพวกเธอนี่แหละ แต่บวชได้แค่3วันเพราะว่าบวชเพื่อทำบุญให้กับคุณย่าเจาร่างคุณย่าไปฝังไว้นะในสุสานตามคะเนียนคนจีนยมพ่อยมแม่ก็อยากจะให้มีสามัญเนรไปเรียกว่าจูงศพก็ได้นะแค่3มวันเท่านั้นแต่ว่าก็เป็น3มวันที่มีความหมายมากเพราะว่าได้รับความประทับใจหลายอย่างจากการที่ได้ บวชสา ม, มนเณรไม่ได้มากลถึงชัยภูมิมันนะก็บวชแถวยันะวานวัดวรจันยา ว, ว่าพวกเราใครที่อยู่แถวถึงตกนี่คงจะรู้จักวัดนี้ถ้าเปนคนกรุงเทพแต่ตอนที่บวชเนนก็ได้มีเวลาอ่านหนังสือไม่ใช่หนังสือเรียนนะหนังสือนิทานสมัยนั้นมันไม่ค่อยมีโทรทัศน์วิทยุไม่ต้องพูดถึงอินเทอร์เน็ต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 นะความกลัวผีมันลดลงไปเยอะเลยแต่ก่อนนะกลัวผีแต่ว่าพอได้บวชในแล้ ว, ม, าาวมีผ้ากาสาวพัดอ่อหุมคลุมตัวก็รู้สึกมีความมั่นคงมั่นใจนะสุดไปแล้วก็แม้จะมีความกลัวผีอยู่แต่ก็ยังลดลงแต่ก็ลดลงไปได้เยอะมาหายกลัวผีก็ที่นี่นะเมื่อมาบวชอีกครั้งหนึ่งนะ ไปอยู่โน่นหอไตรจะอยู่คนเดียวอยู่กับความมืดแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะเป็นมิตรนะกับความมืดเป็นมิตรกับสิ่งที่เราไม่รู้ท้าที่สองนั่คือว่าได้มารู้เท่าทันความกลัวของตัวก็รูวามันเป็นที่ใจไม่ได้เป็นที่อะไรเลยก็เลยหายตัวเพวกเรามาบวชเนรหรือว่ามาบวชเป็นศิลจารีณีทั้งทีนะ อย่างน้อยก็พอให้ความกลัวความกลัวผิดความกลัวความมืดนะมันลดน้อยลงบ้างหรือถ้าได้ยิ่งก่ น, นี้ก็ดีการที่พวกเรามาบวชเป็นสามเณรหรือศิลจารีมีนี่ก็ถือว่ า, าเป็นโชคนะหลายคนอยากจะบวชอย่างเราแต่ว่าก็ทำไม่ได้และถ้าเราใช้การบวชนี้เป็นประโยชน์ มันก็จะมีอนิสงสนะ์อนิสงส์แปลว่าคุณประโยชน์นะมากมายในสนาพุธการก็มีสา ม, มนเนนหลายท่านที่เดิมนะที่บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ในขณะที่อายุยังน้อยอย่างสา ม, มเณรที่ชื่อสุขนะสุ ข, ขสา ม, มนเนนอายุแค่นะมาบวชเมรตอนอายุเจ็ดขวบบวชได้8ดวันเท่านั้นแหละ ก็บรุธรรมเป็นพระ อ, อรหันต์เลยเรียกว่ า, าเป็นสามมณีอัจฉริยะมากหลวงพ่อยิ่งทำไม่ได้ขนาดนั้นเลยแล้วทาไมท่านถึงบรรลุธรรมได้นะเป็นพระ อ, อรหันต์พระ อ, อรหันต์นีแ่แปลว่าผู้ที่หมดทุกข์นะหมดทุกข์เพราะหมดกิเลสหมดกิเลสเพราะมีปัญญาเห็นธรรมว่าไม่มีอะไรที่มันน่าเอาหน้ามีน่ายิ้มน่าครองเลยสัมมณีสุขมาบวชได้ เจ็วันวันที่ตาก็เดินตามพระไศรยบุตรไปพระไศรย์บุรบนี่เป็นพระคาราสาวกเป็นมือขาของพระเจ้าจ้านะพูดง่งายๆพระสศรย์บุญนี่มีลูกศิษย์เป็นสามเณเยอะมากท่านมีเมตตาเดินช้าๆบินธบาตอย่างพวกเราเนะี่เดินเข้าไปผ่านทุ่งนาก็เห็นชาวนากําลังทดน้ําไหน้ําเข้านา สมัยก่อนไม่มีเครื่องสูบน้ํานะชาวบ้านก็ต้องรู้จักวิธีการทดน้ำกาอทดน้ำก็มันจะทดเล่กนะทดเล่กในใจทดน้ํำก็คือเปลี่ยนเส้นทางน้ำให้มันเข้าไปในนาอันนี้เป็นภาพที่คนชนบทนะถ้าพวกเรามาที่นี่เมือม่อสามสิบเมื่อยี่สิบปีกว่าหรือสิบปีที่แล้วนะถ้ามาช่วงหน้าผนก็จะเห็นชาวบ้านเขากาลังทดน้ําเข้านา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 กำลังถักม้ให้เป็นรูปทั้งสามเหตุการณ์สามภาพนี้ก็เป็นเหตุการณ์ธรรมดาธรรๆนะของชีวิตชาวบ้านแต่ว่าสามนเณรสุขนี่เป็นคนฉลาดเมื่อเห็นชาวนาทดน้ำเข้านาเห็นช่างสอนช่างธนูนะกำลังดัดคันธนูเห็นช่างไม้ถากไม้ก็ได้ความคิดขึ้นมาว่าเอสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยนะ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 ขอบอกลาพระไซรบุตรนะซึ่งเป็นอุปชาว่าตอนนี้นะขอไม่ไปบิณฑ บ, บาตต่อนะก็ผมจะกลับไปที่วัดทมภารกิจ บ, บางอย่างพระไซริบุตรก็อนุญาตสามเณรสุดก็เดินกลับวัดเนี่ยนะกลับวัดแล้วเข้าไปในวิหารแล้วก็ทำสมาธิภาวนาสุก จ, จิตทุกใจ เพราะว่าเห็นคนอื่นเห็นชาวนาไถพดน้ำข้าวนาเห็นช่างไม้อากไม้เห็นช่างธนูดัดลูกศรก็ก็รู้สึกว่าเราเองนี่นะต้องมาฝึกจิตฝึกใจท่านก็บำเพ็ญภาวนาท่านที่ยังไม่ได้ฉันอะไรเลยนะเราบอกว่าใกล้ๆจะเห็นธรรมและภาษายวิบุตก็กลับมาถึงวัดพอดี พระเจ้าตอนนั้นก็อยู่ในเหตุการณ์ก็อยากจะให้สามเณรสุขได้ภาวนาต่อเพราะว่าตวนละจนเทียนล ะ, ตล ะ, ตล ะ, ตละแต่ถ้าเกิดพระสายรีบุตรนี่มาเข้ามาในวิหารก็อาจทำให้สามเณรสุขอต้องหิดพักภาวนาก็เลยพระเจ้าก็เลยไปไปขวางเอาไว้นะแล้วก็ชวนคุยชวนคุยกับพระสารีบุตรในระหว่างที่ชวนคุยนั่นเอง สามเป็นสุกก็ปัญญาก็บ่มเพาะเป็นที่เหมือนน้าที่กําลังใกล้เดือดพอถึงจุดหนึ่งน้ําก็เดือดปัญญาก็สว่างพโพงบรรลุธรรมเห็นธรรมทันทีเลยนะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้นะมันไม่เที่ยงไม่นา่ายึดถือจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสเป็นพระอาหารหันต์ทันทีอายุแค่เจ็ดขวบเท่า น, นั้นเองนะบวชแค่แปดวัน บรรลุธรรมเร็วกับพระสายฤบริบตนะพระสายฤบริบตใช้เวลาสิบห้าวันถึง จ, จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สามนเณรสุขนะอายุมาอกว่าพวกเราอีกนะหลายคนและพวกเราอายุตื่นหนก็เกปีอนยะ่างนั้นนะสามนเณรสุขอายุเจ็ดปีเสร็จเสจก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทำไมสามนเณรสุขถึงบรรลุธรรมได้นะก็เพราะว่าเป็นคนที่ฉลาดในการมองภาพธรมธรมดาธรรมดานะชาวนากําลังขดน้ำเข้านา ช่างไม้กำลังถากไม้แต่ว่าสามเณรสุขนี่มองแล้วเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะว่าไอเราคนอื่นเขาก็ดัโดโน่นดัดนี่กันแล้วเราเนี่ยเราจะทำอะไรก็ต้องดัดแปลงดัดจิตตัดใจตัวเองตรงนี้แหละเป็นที่มาของคางสอนของพระพุทธเจ้านะที่มีชื่อมากท่านตัดสั้นๆว่าชาวนาไถนาเข้านา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 สามารถจะเป็นบัณฑิตได้หน้าที่เราคือฝึกตนไปดัดแปลงไปควบคุมเปลี่ยนแปลงจัด ก, การสิ่งภายนอกไม่วจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นข้าวของเครื่องใชน้นีมันไม่ไม้สําคัญเท่ากับการที่เรามาฝึกตนถ้าเราฝึกตนเมื่อไหร่ความจเจริญงอ่งงามก็จะเกิดขึ้นได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตได้ชื่อเป็นหนอนเนื้อของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สามเณรเท่านั้นนะสิริจารีนีเป็นผู้หญิงก็สามารถจะเป็นหนอนเนื้อ เชื้อไขของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าธรรมะนะเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงระหว่างเรากับพระพุทธเจ้านะถ้ามีธรรมปฏิบัติธรรมตามคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นสิทธ์เป็นลูกเป็นหลานเป็นน้อนเมื่อเชื้อไ ข, ข่ของพระพุทธเจ้าได้นอกจากสามเณรสุขแล้วก็มีสามเณรอีกหลายท่านนะเรียกว่าหลายองค์เพราะว่าเป็นพระอรหรันต์ ธรรมดาธรรมดาแล้วก็เราียวกับเป็นรูปนะแต่ว่าสามเณรสูงนี่เราเป็นองค์นะเพราะว่าเป็นผ้ารหัสสามเณรสังกิจจากนี่ก็อายุประมาณเจ็ดแดกนี่แหละบรรลุธรรมเป็นผ้ารหัสเดียกันนะแต่ไม่ทำบินทบาเลยนะแค่ปรงผมนะ่ปรงผมตอนที่ปรงผมนี่อาจารย์นะก็คือพอระเสดุสารีบุตรก็ให้พิจารณากรรมฐานนขา นักขาก็เล็กนะหนังขนเล็กฟันผมพิจารณาแค่ห้าอย่างเท่านั้นะเท่านั้นแหละพิจารณาบอกว่าพอโกนผมครั้งแรกเนี่ยก็ได้เป็นโสดาบันโสดาบันนี่ก็เป็นพระเยบุคุณชั้นต่ำนะโกนอีกทีก็าได้ได้เป็นสกิพระสกิทาคามีโกนอทีก็เป็นพระอนาคาามีโกนอีกทีก็เป็นพระอาหารหันต์เลย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 เห็นทำอย่างแจ่มแจ้ ง, ก, งก็เป็นพระอาหารหันต์ไปเลยนะอันนี้ก็แสดงว่าได้เป็นเด็กนะแต่ว่าก็มีปัญญาที่ดูถูก ด, ดูแคลนไม่ได้แม้เป็นเด็กอาจจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าก็มีความสามารถนะที่จะบรรลุธรรมได้ธรรมะของพระเจ้านี่ไม่ว่าจะเป็นคนอายุแค่ไหนจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย จะเป็นคนแก่หรือเด็กยากจนหรือร่ำรวยเป็นผ้าหรือคราวาสก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเห็นธรรมได้ถ้ารู้จักมองเขามารู้จักมองมีสำคัญมากอย่างสามเณรสุขนี่เป็นคนที่รู้จักมองบางทีมองดอกบัวมองดอกบัวที่กำลังที่เบ่งบานตูม แล้วก็บานเต็มที่แล้วก็ค่อยๆร่วงโรยนะพิจารณาก็เห็นความเป็นอนิจจังของสังขารของสิ่งทั้งปวงก็บรรุธรมได้อันนี้เรารู้จักมองมีพระองค์หนึ่งตัวเล็กๆเหมือนเนมนะชื่นชื่อแล้วคุณตกาพติยะเรียกพติยะตัวเตีย้ยคุณน่ะแล้วุณตากาเป็นคำคุณศัพท์วงบอกถึงบุ ค, คลิกว่าเนี่ยเป็นคนตัวเล็กๆนะ กำลังเดินอยู่บินทบาตอยู่ก็มีผู้หญิงนั่งรถนั่งรถม้าผ่านมาเป็นนางคณิกาแต่งตัวสวยงามเห็นท่านท่านรักรุตการปฏิยาก็หน้าเห็นดูหน้าตาเน่นดนะูก็ยิ้มยิ้มหวานเลยยิ้มสวยเลยนะเหมือนกับรับุตการปฏินี่ถ้าเลกภาพเหมือนกับโคตีนะผู้จามโกตีนะ กติบวดบวดพระเนี่ยคมหน้าอินดูนะนางคณิกาเห็นก็ยิ้มนะท่านก็เห็นหญิงสาวยิ้มแทนที่จะหลงไหลได้ปลื้มทั้งกับมองโอไอ้ที่ยิ้มให้มันเป็นบ่วงของมารนะคนธรรมดาเห็นแล้วก็เกิดกิเลสแต่ว่าท่านเห็นแล้วนี่รู้ว่านี่เป็นบ่วงของมารมารมาหลอกล่อให้หลงเห็นว่าสังขารนี่มันไปหลงหลงมันไม่ได้หลงมันลเป็นทุกข์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 แม่ได้โชคได้ลาบ ม, มาแต่ว่ามองไม่เป็นนะคิดไม่ถูกก็เป็นทุกข์นะมีคนในหมู่บ้านนะของหลวงพ่อนี่ยชาว บ, บ้านนะ น, นะคนหนึ่งเขาเขาไปแทงหวยสิบห้าบาทบอกว่าถูกนะผูกก็ได้ห0ร้อยหร้อยบาทก็ดีใจมากเลยก็นะดีใจมากก็ไปพูดอวดใครต่อใครว่า่าีวันนี้โชคดี สูข่วยแต่พอไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาแทงตัวเดียวกันนะแต่เขาแทงมากกว่ารู้สึกจะแทงห้าสิบบาทเนานะก็เลยได้สองพันพอเขาล่วเพื่อนอีกคนนึงได้สองพันนี่ที่เคยยิ่งนี่หกเลยนะเสียใจเลยเมื่อกี้ยังดีใจอยู่เลยตอนนี้เสียใจแล้วทำไมเสียใจแล้วนอะ่าไม่น่าเสียใจเนะได้หกร้อยแต่พอเห็นเพื่อนได้สองพันนะเสียใจเลย อันนี้เรว่าเป็นคนไม่ฉลาดนะแล้วถ้าหมอไม่เป็นนะได้โชคได้ลาก็เป็นทุกข์นะเหมือนกับเรานักนักเรียนนะสามเณรสึกไปแล้วศิรลารจมีสึกไปแล้ ว, ไ ป, ลวไปเที่ยวในตลาดเห็นขนมนะราคายี่สิบบาทอยากกินก็ต่อได้นะเราก็ต่อได้สิบห้าบาทดีใจนะ ราคา20บาทเราต่อได้15บาทแต่พอกลับมาถึงบ้านน้องชายเราเขาก็ไปซื้อมาเหมือนกันแต่เขาต่อได้10บาทเราเป็นงไงที่เคยดีใจนี่เสียใจเลยนะมีหลายคนนะเป็นทูพออย่างนี้นะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเชนใหม่ในบาซา่าคนเราเคยไปหวัดในบาซา่ามันมีของขายเยอะสินค้าพื้นเมืองก็มาก ไปซื้อย่ามนะของชาวเขาก็ตินราคาห้าร้อยบาทก็ต่อได้สี่ร้อยนะดีใจกลับมาบ้านกลับมาที่โรงแรมเพราะว่าเพื่อร่วมทัวร์ก็ซื้อเหมือนกันนะย่ามเหมือนกักเดียเลยแต่เขาต่อได้เตี้ยกว่าเขาต่อได้สามร้อยนะไอ้ที่เคยดีใจว่าฉันต่อได้400ร้อพอมาเห็นเพื่อนเขาได้สามรอยนี่เสียใจเลย มาคิดดูนะไอ้คุณจะเสียใจหรือเปล่านะในเมื่อเราก็ซื้อได้ของถูกเหมือนกันแต่พอเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาได้ได้มากเขาก็าต่อได้มากกว่าเราเสียใจอันนี้เราคิดไม่เป็นนะไม่ฉลาดไม่ฉลาดคิดถ้าเราถ้าถ้าเราฉลาดคิดนะเดี๋ยวว่าแต่ได้โชคได้ลากเลยแม้ว่าเจอเคราะห์เราก็ไม่ทุกข์เราก็ัมาว่าเราโชคดีด้ซ้า ผลวพ่อเคยพาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยนะผู้ป่วยที่เป็นโรคไรลายนะพาคนไปเยี่ยมเป็นจิตอาสาไปเยี่ยมจิตอาสาคนหนึ่งก็ไปเจอเด็กสาวอายุ14ผมร่วงหมดเลยเพราะว่าเป็นมะเร็งสมองต้องฉายแสงต้องฉีดีโมผมก็เลยร่วงมะเร็งสมองนี่นะ่ามันน่ากลัวกว่ามะเร็ง ชนอื่นๆ น, นะแต่ว่าเด็กคนนี้นี่หน้าตากิ้นแย้มชวนจิตอาสาคุยชวนเอาว่าลูก้วยกันจิตอาสาก็แปลกใจทำไมคนเป็นมะเร็งจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำไมอารมณ์ดีแถมมีโอภาปาสายดีด้วย mm. คุยไปคุยมาเด็กก็บอกว่าหนูโชคดีน ะ, นะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกนะ มีญาติคนนึงเป็นญาติผู่ใหญ่เป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองเป็นมะเร็งสมองนะก็บอกว่าโชคดีนะนะโชคดีเนี่ยเป็นเป็นมุมมองนะคนเราจะสุขหรือทุกข์จะมาอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่มุมมองนะอยู่ที่ว่าเรามองเป็นหรือเปล่าถ้าเรามองเป็นนะเราก็เห็นธรรมะเห็นความสุขอยู่รอบตัวถ้าเรามองไม่เป็นนะเราก็ เห็นอะไรก็โดยล้แต่ชวนให้ทุกข์ทั้งนั้นขนาดได้โชคได้ลาดยังรู้สึกว่าโชคไม่ดีเลยพวกเราเนี่ยถ้าถ้าจะได้ประโยชน์นะจากการบวชนะก็อย่างนี้คือว่าเรารู้จักมองเพราะว่าสุขหรือทุกข์นะคนเราจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มีอยู่ที่ว่าเราจะมองมันอย่างไรแม้เราจะ ได้โชคได้ลาแต่ถ้าเรามองไม่เป็นเราก็ทุกมีเรื่องนะเรื่องที่นะน่าคิดเหมือนกันนะมีคุณลุงคนหนึ่งแกแกตั้งใจจะปฏิบัติทำจเจร อ, อนั่งสมาธิแกไปเข้าคอร์สปฏิบัติทำมาเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันตอนเย็นเลิก ง, งานแกเป็นพ่อค้าเลิก ง, งานแกก็จะนั่งสมาธินะก็นั่งได้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 ฮะโง่ ย, ยังไงฮไม่รู้เหรอรคือเด็กเข้ามาหนัดจะคิดนะว่าไอตอนที่เล่นครั้งแรกๆนี่นะเล่นโดยที่ไม่มีเงินก็ยังมันเล่นได้ใช่ไหมเพราะว่าเด็กเล่นด้วยความสนุกแต่พอได้เงินแล้วเนี่ยนะเด็กก็คิดอีกแบบหนึ่งแล้วว่าเอ๊ะมันคุ้มหรือเปล่านะตอนที่ได้ร้อยบาทก็รู้สึกว่าคุ้มนะ แต่พอได้สิ บ, บาทเหลือสิ บ, บาทเด็กผู้สูงไม่คุ้ม <c oughs> เด็กเขาคิดว่าไม่คุ้มไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยที่มาเล่นบอลแต่ถ้าเด็กฉลาด น, น่าจะมองว่าสมัยก่อนเนี่ยแต่ก่อนเรามาเล่นเราไม่ได้เนงะินสักแดงเลยแต่ตอนนี้เราได้สิบบาทนะก็น่าจะเล่นต่อนะเพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้เงินเลยก็ยังมาเล่นใช่ไหมตอนนี้ได้สิบตอนเนี้ยได้สิบบาทแล้วเออก็ยังน่าเล่นต่อไป แต่เด็กเขาเขาไม่ได้ค nah, ิดว่าเขาได้สิบาทนะเขาคิดว่าเขาขาดเขาเสียเงินไปเก้าสิบบาทแต่กว่าได้ร้อยเนี่ยตอนนี้เหลือสิบบาทเขาคิดว่าเงินหายไปเก้าสิบบาทเขาเลยไม่อยากเล่นแล้วนะเด็กฉลาดนี่เขาจะไม่มองเขาเสียเงินไปเก้าสิบบาทเขาจะมองเขาได้เงินมาสิบบาทแต่เด็กกลุ่มนี้ไม่ฉลาดเขาคิดว่าเขานะเงินหายไปเก้าสิบ เขาก็เลยไม่เล่นละพวกเราอย่าเป็นแบบเด็กพวกนี้นะมั้ยไม่เ อ, อที่หลังเวลาไปเรียนหนังสือแล้วแต่ก่อนแม่ให้ร้อยเด็กต่หลังให้สิบาทก็ต้องยินนะยินรับนะเออเรียนเรียนเรียนแล้วยังได้เงินอีกนะสิบบาทแต่จริงๆไม่ใช่เด็กเป็นอย่างนี้นะผู้ใหญ่ก็เป็นนะผู้ใหญ่ก็เป็นเพราะว่ามองไม่เป็นไงมองไม่เป็น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 สิบล้านนี่มันยี่กว่าลอตเตอรี่ละวันที่หนึ่งนะพอรู้ขึ้นคุณป้าก็หายไปจากตลาดหุ้นเพื่อนสมาชิเลยไปถามว่าคุณป้าหายไปไหนไปถามเจ้าหน้าที่ตลาดหุ้นก็ได้คําตอบว่าคุณป้าป่วยป่วยเข้าโรงพยาบาลรู้ไหมป่วยเพราะอะไรทําไมเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรรู้ไหมเพรเครียดที่ได้แค่สิบล้านคุณป้าไม่ได้มองว่าได้สิบล้านคุณป้ามองว่าฉันมองว่าฉันเสียสิบล้านนะ แกไม่ได้มองแกได้สิบล้านแะแกมองว่แกเสียสิบล้านเพราะว่าถ้าแกไม่ไม่รีบขายหุ้นวันสามวันก่อนแกขายหุ้นวันนี้แกได้กําไรยี่สิบล้านแต่ว่าแกไปขายหุ้นก่อนเนี่ยแกได้สิบล้านแต่ที่แกมอง่าแกได้สิบล้านแกมองว่แกเสียสิบล้านนะอย่างนี้ฉลาดหรือโง่นะโง่นะคนเราต้องมอยดีแล้วว่าเราเนี่ยได้สิบล้านแต่ถ้าเรามองว่าเราเสียสิบล้านนั้นเราป่วยทันทีเลยนะโอ้โหสิบล้านหายไปแล้ว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 พอถ้าเราไม่ไมระมัดระวังต่อไปอาจจะหายร้อยบาทหรือหายพันบาทวันหนึ่งก็คุณพ่อก็ขับรถไปปรากฏรถติดนะติดไฟแดงก็เลยถามลูกว่าติดไฟแดงนี่มันดียังไงนะมีข้อดีอยงไรบ้างพวกเรารู้ไหมตอบได้ไหมติดไฟแดงมีข้อดีอยงไรบ้างเด็กกรุงเทพเนี่ยเจอไฟแดงบ่อยพ่อถามลูกว่าติดไฟแดงมีข้อดีอย่งไรบ้างลูกก็ใช้เวลาคิดหน่อยเสร็จแล้วก็บอกว่า ก็มีข้อดีตรงที่ว่าทําให้พ่อคุยกับลูกเนี่ย hmm. พ่อถ้าขับรถไปติดไฟแดงนี่พ่อไม่คุยกับลูกครับพ่อมองไปข้างในอย่างเดียวพอติดไฟแดงพ่อไม่มีอะไรทําพ่อก็เลยชวนลูกคุยนะถ้าเด็กฉลาดนะขณะดรถติดก็ยังมองเห็นประโยชน์หรือมองเห็นข้อดีคราวนี้เนี่ยนอกจากการมองเห็นข้อดีแล้วนะอย่างหนึ่งที่เราควรมองก็คือไอมองข้อดีคือมองข้างนอกมองว่าข้างนอกเนี่ยหรือมองว่า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 ความหมุดหงิดความเสียใจครอบงำใจแล้วเนี่ยมันจะทุกข์เด็กฉลาเนี่ยเขาจะรู้นะว่าที่มันทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นความไม่สบายใจก็อะไรได้กับอะไรเช่นความโกรธความเกลียดความกลัวถ้าไม่อยากทุกข์เนี่ยเขาก็จะพยายามดูใจของตัวไม่ให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาครอบงา มีมีหลายคนนะชื่อประวนันไม่ใช่หลานที่เดือนนะเป็นเป็นลูกของเพื่อนอายุประมาณแล้วตอนที่ตอนที่ตอนที่เขายุววานสี่ห้าขวบนี่นะมันก็มีวันหนึ่งนะเขาถูกแม่ว่าเขาถูกแม่ว่าประวนันประวันเป็นเด็กฉลาดปกติก็จะเถียงแม่ยิ่งแม่ว่าก็ยิ่งแม่ผอใจแต่ว่าวันนี้นะ แปลกนะแม่ว่าลูกเ้าแม่แม่ว่าปาวานปาวานุานงเงียบพอแม่พูดจบปาวานก็เดินออกไปเลยแม่แปลกใจก็เลยถามปาวานปาวานไปไหนปาวานตอบว่าผมไปสงบสติอารมณ์ครับปาวานรู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์เพราะว่ามีความโกรธเกิดขึ้นปาวานรู้สึกร้อนใจนะเพราะว่าแล้วก็รู้ว่าเป็นเพราะมีความโกรธเกิดขึ้นคนเราเวลาทุกข์เนี่ยนะ ถ้ไม่ดูใจตัวเองนะมันจะโทษคนอื่นเช่นไปโทษแม่ว่าทําไมมาว่าแบบนี้ทําไมพูดแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเถียงกลับอ น, นี้เป็นธรรมชาติคนที่ไม่เห็นใจไม่มองมองไม่เห็นจิตใจตัวเองนะแต่ก่อนป้าวานก็เป็นแบบนั้นนะเวลาถูกแม่ว่าก็โกรธไม่พอใจพอไม่พอใจเนี่ยแทนที่จะกลับมาดูใจของตัวก็ไปเข้าใจว่าทุกเพราะแม่ว่าก็จะเถียงแม่แต่ว่าป้าวานเนี่ย นะเขาเขาฉลาด น, นะไม่รู้เขาไปเรียนอย่างที่ไหนมาพอเขารู้สึกเกิดความทุกข์ขึ้นมาเ้ากลับมาดูใจแล้วก็พบว่าใจมันร้อนเพราะว่ามีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นประวัยก็เลยเดินออกไปเพื่อไปสงบสติอารมณ์เพราะรู้ว่าถ้าสงบสติอารมณ์แล้วพอใจสงบแล้วเนี่ยก็จะหายทุกข์ อนี่เ ป, น เ, ปนเป็นเป็นความฉลังประวานนะอย่าว่าเด็กๆเลยผู้ใหญ่เนี่ยเวลาทุกเนี่ยนะเวลาถูกคนต่อว่าเนี่ยก็จะไม่พอใจก็จะไปคิดว่าเราทุกเพราะคนอื่นเขาพูดไม่ดีกับเราไม่ได้มองว่าเนี่ยที่ทุกเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยกำลังปล่อยให้ความโกรธมันเผาหลนจิตใจแประวา น, นี่เด็กฉลาดพอเข้ามาดูใจเขเพราะว่านี่ยความกลัวกาลังเผาใจแล้วต้องไปหาน้ําดับไฟสักหน่อย ก็เลยเดินออกไปไปสงบสติอารมณ์อีกรายหนึ่งนะชื่อน้องไอน้องไอ้นี่ก็ประมาณนี้แหละสีหา้าขวบชื่อตรงนะน้องไอนี่วันหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ในบ้านนะปรากวาวิ่งไปวิ่งไปพราว่าไปโดนชนวิ่งไปชน ก, กระจกนะประตูกระจกนะชนประตูกระจกคิดว่าประตูไม่ได้ปิดนะวิ่งชนรประตูกระจกร้องโอ้ยเสียงดังเลยนะ ได้อยู่ในครัวได้ยินเสียงร้องน้องไอร้องตกใจวิ่งมาเห็นน้องไอนั่งนะนั่งอยู่ก็จะเข้าไปกอด น, น้องไอเพื่อปลอบให้หายปวดน้องยายุกน้องไอ ย, ยุกมือเลยบอกแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องเดี๋ยวน้องไอนั่งสมาธิก่อนทำไมน้องไอนั่งสมาธิเพราะน้องไอรู้ว่าถ้านั่งสมาธิแล้วความปวดมันจะลดลง ความปวดมันมีสองอย่างนะปวดกายกับปวดใจปวดกายกับปวดใจน้องไอรู้ว่าถ้าทําสมาธิแล้วเนี่ยใจมันจะสงบพอมันสงบแล้วความปวดก็จะลดลงไอ้น้องไอรู้ได้ยังไงนะน้องไอรู้เพราะน้องไอนีเขารู้จักมองจิตใจตัวเองหันมารู้ทางใจตัวเองไอ้เป็เพราะพอ่พอแม่สอนดีก็ได้นะพ่อแม่สอนให้ให้เ ว, เ ว, เวลาน้องไอนะ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 โกรธประตูแล้วก็อาจจะเตะประตูแต่น้องไอรู้ว่าไอความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะประตูหรือกระจกแต่เป็นเพราะใจเรา ใ, ใจเรากําลังโกรธใจเรากําลังว้าวุ่นน้องไอก็เลยกลับมานั่งสมาธิแสดงว่าเขารู้ว่าความทุกข์อยู่ที่ใจตัวเองก็เหมือนกัปาวา น, นที่รู้ว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นถ้าจะลดความทุกข์ถ้าอยากจะหายทุกข์ก็ต้องกลับมา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 เดินไปชนไปชนโต๊ะนะจนกระทั่งกระแทกพื้นหรือเดินเดินไปชนเดินไปชนโต๊ะแล้วก็ปวดขึ้นมาร้องไห้แม่อยากจะให้ลูกหยุดร้องไห้ก็ไปตีโต๊ะนะ <c oughs> เด็กก็เลยเข้าใจว่าอ๋อที่เราทุกเนี่ยเพราะว่าโต๊ะที่เราทุกนี่เพประตูไม่ได้คิดว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยนะมันอยู่ที่ใจตัวเองด้วยใจที่กําลัง โมโหใจที่กำลังโกรธเรื่องนี้เนี่ยนะมันพวกเราฝึกได้นะพวกเราเนี่ยอายุมากกว่าปาวันอา ย, ยุมากกว่าน้องไอ่ฝึกได้เวลาใครเวลาใครมาว่าเราเดีย๋ยวพึ่งไปโกรธเขากลับมาดูใจก่อนว่าเราใจเราเป็นยังไงใจเรากำลังร้อนรุ่มใจเรากำลังโมโหดูใจตรงนี้ก่อนนะแล้วพอเรากลับมาดูใจเนี่ยเชื่อมั้ยมันจะสงบลงอย่าพึ่งไปโ่อคนอื่นนะ กลับมาดูใจตัวเองอันนี้เป็นวิสัยคนฉลาดและคนที่ถ้าเรากลับมาดูใจตัวเองนะเราจะมีความสุขได้ง่ายคนที่รักตัวเองจริงๆเนี่ยเ <c oughs> จะเป็นคนที่กลับมาดูแลจิตใจตัวเองถ้าเราอยากจะรักตัวเองนะเราต้องกลับมาดูใจของตัวเราเองบ่อยๆไม่ว่าดีใจเสียใจไม่ว่าโกรธไม่ว่าโมโหเวลากลัวเวลากลัวอย่าพิ่ง่เดี๋ยว พ, งยพ่งไปมองข้างนอก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 กนะ็จะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองตัวเราถ้าคิดถึงตัวคนอื่นมากกว่าตัวเองนี่มันจะทุกข์น้อยลงนะเชื่อไหมคนที่คิดถึงตัวเองนี่จะทุกข์ง่ายเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็ทุกข์ละเจออะไรนิดอะไริดอะไรหน่อยก็ไม่พอใจแต่ถ้าคนที่คิดถึงตัวคนที่คนที่คิดถึงคนอื่นเนี่ยก็จะเขาจะทุกข์น้อยลงน้องโยนะน้องโยเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบนะเป็นผู้ชายนะ วันหนึ่งป้าชวนน้องโยซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนครปฐมเพระกลัวว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนมอเตอร์ไซค์พังยับเยินป้านี่มือแขนหักไปข้า ง, งแต่น้องโยนี่หนักขาเละไปข้างนึงเ ล, เละเลยนะรถพยาบาลรีบพาเข้าโรงพยาบาลทันทีระหว่างทางนี่ป้านี่ร้องโอดโอยแต่น้องโยนี่ไม่ร้องเลย จนถึงห้องผ่าตัดผ่าตัดเสร็จหมอก็แปลกใจทำไมน้องโยไม่ร้องป้านี่ร้องโอดโอยถามน้องโยว่าทำไมน้องโยไม่ร้องน้องโยตอบว่ากลัวป้าเสียใจครับน้องโยนี่คิดถึงป้าสงสารป้าไม่อให้ป้าทุกข์มากกว่านี้น้องโยไม่ได้คิดตัวเองเลยน้องโยสงสารป้าไม่อยากให้ป้าทุกข์ก็เลยสะกดตั้งความเจ็บเอาไว้ความเจ็บของตัวเองกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยความคิดของป้าเป็นเรื่องใหญ่กว่า ถ้าน้องโยคิดถึงตัวเองนะโแล้วฉันจะเล่นบอลยังไงนี่ต่อไปแล้วถ้าฉันขาพีการฉันจะหาแฟนได้ไหมเนี่ยถ้าคิดแบบนี้น้องโยร้องล่นห้องเลยแต่น้องโยไม่ได้คิดถึงตัวเองน้องโยคิดถึงป้าไม่อยากให้ป้าเสียใจไม่อยากให้ป้าทุกข์ทรมานก็เลยสะกดกั้นความเจ็บไม่ร้องเลยอันนี้เป็นตัวอย่างคนที่คิดถึงคนอื่นนะมันจะรู้สึกว่าความที่ข์ขเพื่อนเล็กๆน้อยมีเด็กคนหนึงนะ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 ไม่มีขาเนี่ยหยุดร้องเพราะรโโอนนี่เราชชเดีเขาเยอะเน้นถ้าเราคิดถึงถึงถ้าเราคิดถึงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทุกข์ง่ายนะีแต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่นเริ่มตั้งแต่พ่อแม่แล้วก็เพื่อนนักเรียนด้วยกันจนถึงกระทั่งคนที่เขาลำบากกว่าเร า, า เ, รเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายต้ทองคิดถึงมันเห็นได้เยอะนะอย่าเอาตัวเองเป็ น, ปนใหญ่แล้วก็พูดมาเยอะแล้วนะรู้สึกว่ายาวเกินไปแล้ว ก็ข อ, อยุติเพียงเท่านี้ถือว่ามาทดใช้ที่ไม่ได้มาพูดคุยมาพวกป่าพวกเราเลยก็ข อ, อยุติการบรรยายถึนเท่านีุ้